ในที่สุดก็พระองค์ดับขันปรินิพานาศาสนาอันตาฐานไปอันนี้รายละเอียดโดยสรุปในพุทธวงศ์มีอยู่เท่านี้ทีนี้มันก็เป็นที่ตั้งเห็นว่าเออแล้วเมื่อเมื่อได้ข้อมูลเท่านี้แล้วมันดียังไงนะอย่างที่กล่าวให้ฟังไปแล้วว่าเมื่อเราระลึกถึงอดีตนะปกติแล้วอดีตเนี่ยมันเป็นห่วงแห่งความมืดที่ใหญ่มากนะแม้กระทั่งว่าอดีตของชีวิตเราเองเนี่ยอาจจะนึกได้แค่คับคล้ายคลับคลา จะกล่าวไปว่าเมื่ออดีตหลายๆกับหลายๆแสนกลับหลายๆร้อยหลายๆหมื่นหลายๆล้านกลับหลายๆกับจนถึงอสงไขย์กับหลายๆหนึ่งอสงไขย์สองอสงไขย์สอสงไขยรายละเอียดเกี่ยวกับเบื้องหลังครั้งเก่าก่อนครั้งเก่าแก่หลายๆอสงไขย์กับหลายๆแสนอสงไขย์กับเราจะเลิกกันไม่ได้เลยนี่นะพันถือว่าเป็นหลุมที่ใหญ่มากก็คือหลุมและความมืดที่ยิ่งใหญ่ที่ปกปิด อดีตเนี่ยนะปกอับปิดอดีตทําให้อดีตนั้นเราระลึกอะไรไม่ได้เลยแต่จากการศึกษาพุทธวงศ์เนี่ยนะทำให้เราระลึกถึงอดีตได้มันรายละเอียดในอดีตก็ยังพอมีว่าเออเมื่อสี่อสงไขยใช้สัพ์นี้ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าตันหังกรเมธังกรสรารนังกรทีปังกรมันไม่ใช่ว่าอาดีตเนี่ยหมดไปเลย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 อัครสาวกเพื่อเป็นอสีติมหาสาวกเพื่อเป็นอุปถัมภ์มีผู้ที่เขาทําบุญเพื่อเป็นพุทธมารดาพุทธบิดาพุทธอุปถักมีผู้ที่เขาเจริญบุญเจริญกุศลหลากหลายหาประมาณไม่ได้เนะมันเราก็จะได้เลึกถึง ในแต่ละอสงไขยอสงไข่ที่หนึ่งถ้าถอยหลังเมื่อสี่อสงไขยเนี่ยอสงไขยที่หนึ่งมีพระพุทธเจ้าสี่องค์อสงไขยที่สองมีพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์อสงไขยที่สมีพระพุทธเจ้าสี่องค์อสงไขยที่สช่วงนั้นน่ะมีพระพุทธเจ้าสพระองค์แต่ถ้าเมื่อแสนกลับที่แล้วก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวหรือเมื่อส 0,000 ื่นกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าสององค์เมื่อหนึ่งหมดพักับที่แล้วมีพระพุทธเจ้า สามองค์เมื่อเกสบี่กับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเมื่อ9กบกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าสององค์9กบดกับที่แล้วมีองค์เดียวส1บอดกับที่แล้วมีสององค์และกับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าพระองค์เหลืออีกองค์หนึ่งยังไม่มาตรัสรู้ทั้งหมดมีห้าองค์นะมันก็จะเป็นรายละเอียดที่ว่าอดีตก็ไม่ใช่ห้วงแห่งความมืด ทีนี้ถ้าหากว่าศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในอนาคตเช่นพระสีอริยะเมตไตรเป็นต้นอนาคตก็ยังไม่มืดยังพอพอระลึกว่าข้างหน้าก็มีแสงสว่างแห่งพระพุทธรัตนะต่อไปนะที่ผ่านมาก็มีแสงสว่างแห่งพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะอนาคตต่อไปก็มีแสงสว่างแห่งพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและพระสังขรัตนะเนี่ยนะเราก็ยังมีพระรัตน์แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังระลึกถึง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 พระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะใจไม่เคยห่างจากพรุทธะไตรเลยเพราะมีอะไรสะดุดพระนะโมทสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะได้ทันทีเขาก็ใกล้ชิดพระุทธะไตรขนาดนั้นแต่ศับสับว่าพุทธมามกะธรรมามก ะ, มมกะอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยโดยศัพท์ก็แปลว่าผู้อยู่ใกล้ชิดพระุทธะไตรยอยู่แล้วงั้นเราก็จะได้อยู่ใกล้ชิดพระุทธะไตรามากยิ่งขึ้นเพราะว่าการอยู่ใกล้ชิดพรุทธะไตรพระุทธะไตรนั้นเป็น เป็นอะไรเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นผู้ที่จะช่วยอภิเสกเราไว้ในสัจจะอภิเสกให้เราแทงตลอดอริยสัตว์ตรัตรสรู้บรร ล, ลุมรรคผลเนี่ยนะแทงตลอดโสดาปติมัสกะทาคามีมักภารัตนาตรายช่วยยกเราให้พ้นจากอบายทุคติวินิบัติรลกระรตนาตรายช่วยพาให้เราข้ามพ้นจากวัตตะระรัตนาตรายเป็นผู้ที่มอบอริยทรัพย์เนี่ยนะ ให้ความปราบเริ่มด้วยสติปัญฐาเป็นต้นนะมันพรรัฒนาตรัยนั้นจะช่วยเราได้หลายๆอย่างด้วยกันมันชีวิตของเราไม่ใช่เป็นคนอนาถาเพราะชีวิตที่ผ่านมาในสังสารวัตรนี่มันก็อนาถาพอแล้วนี่นะถือว่านะจริงอยู่เหมือนกับมีเพื่อนมีพักมีพวกมีพ่อมีแม่แต่ก็อนาถาโดยเฉพาะอนาถาทางอะไรอนาถาทางความคิดเนี่ยนะอนาถาทางจิตอนาถาทางวิญญาณ เป็นสภาพจิตที่ไม่มีสารณะเป็นจิตที่ไม่มีที่พึ่งเติร์นตนกเหมือนเ น, อเนื้อที่กลัวภัยวะนะั่นแหละเตร์นนกมีแต่ชีวิตเต็มไปด้วยความหวาดผวามีแต่ด้วยความสะดุ้งความหวาดระแวงมีแต่ความสงสัยว่าจะเป็นเช่นไรเนอะจะเป็นเช่นไรหนอะยังไงแน่ยังไงแน่ยังไงแ น, งงแน่ก็มีแต่ความสงสัยขาดความมั่นใจจะมั่นใจบ้างกวตอนที่กิเลสมันเกิดนั่นแหละ โทสะเกิดขึ้นก็มั่นใจทีหนึ่งโลภะเกิดขึ้นก็มั่นใจทีหนึ่งพอหมดโลภะก็หมดความมั่นใจพอหมดโทสะบางอย่างก็หมดความมั่นใจก็เหลือแต่โมหะที่ประกอบกับความสงสัยเพราะนั้นอกุศลมันก็รุมเร้ามากขึ้นไปไหนก็ไม่ใช่ไปดีก็แล้วกันเพราะนั้นเราพบพระพุทธศาสนาเนี่ยนะในในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ถ้าศึกษาตามแนวพุทธวงศ์นี้ก็น่าดีใจไม่ใช่น้อยเลยน่าดีใจเป็นอย่างมาก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 หากข้อไปห่างสองกับเมื่อ94กับกับ9กบกับ9กกับถอยหลังนะว่างไปกับที่9กกับที่92อันนี้ชิดกันที่สุดว่างไปแค่กับเดียวนะบางอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยว่าง30กับจากกับก่อนหน้านี้มาถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสิขีเวสภูเรี่ยห่างกับนี้30กับก็ถือว่ามากพอสมควร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 หมื่นกว่ากั บ, นก เ, นาากบเนี่ยนะหรือจากพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทกับพระทูมุตระเนี่ยนะห่างการอสองไข่หนึ่งพระพุทธเจ้าโสพิตาการโนมทศสีห่างอสองไข่หนึ่งพระพุทธเจ้าโกนทันยักษ์กับมังคละก็ห่างอสองไขยหนึ่งพระพุทธเจ้าทีปัง ก, กรกับโกนทันญะก็ห่างอสองไข่หนึ่งเขามีก็ห่างห่างเป็นอสองไขยทั้งนั้นจริงๆแล้วในช่วงแสนกลับนี่มาพระพุทธเจ้าเกิดเยอะที่สุดในช่วงนี้ช่วงแสนกลับมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดเยอะมาก นนะถือคือในระหว่างแค่แสนกัปเนี่ยนะจากแสนกัปที่ผ่านมามีพระพุทธเจ้าสิบเจ็ดพระองค์เลยนะสิบเจ็ดพระองค์เนี่ ย, นะยแสนกัปมีพระพุทธเจ้าตั้งยีิบพระอ่าสิบเจ็พระอง ค, อองค์ก่อนหน้านั้นมีแค่สิบพระองค์เสียสงไขเนี่ยสิบพระองค์ถือว่าตัวเลขที่น้อยมากห่างกันชนิดที่ราร้องให้น้ําตาหมดไปเป็นอยว่าเป็นนี้เลยเป็นบ่อน้ําใหญ่ๆเป็นอะไรนะ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 พระพุทธเจ้าหมายถึงปัญญาพระปัญญาที่เกิดร่วมในระดับโลกุตระมัคโซดาปฏิมัคสกท า, า, าคามิมัคอนาคามิมัคอรหัตตมัคอรหัตตมัคขณะนั้นเป็นการอภิเสกในความเป็นพระพุทธเจ้าและอรหัตตมัค ก, ก็ประกอบอยู่แล้วว่าเป็นอาริยมัคอันประกอบไปด้วยองค์แปดที่ประชุมในใจของพระองค์เป็นมัคแที่ประชุมในใจของพระองค์และมัคแด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 ยากนะโทรศัพท์ร่มรวมก็นึกถึงพระพุทธเจ้ า, ายากโมหะด้วยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยนะบอดสนิทที่นี้พระองคนะ์เนี่ยเป็นผู้ตื่นจากกิเลสนิทราขณะเดียวกันก็ช่วยปลุกให้ผู้อื่นตื่นด้วยตื่นๆนได้แล้วตื่นได้แล้ ว, ลวจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดแต่จริงสรรพนี้เป็นคําของเทวดามีพระพิสุรุปหนึ่งท่านไปอยู่ป่าก็รับสนิทเนี่ยนะมันเงียบมันเย็ น, ยบ น, ยบ น, ยนสบายอะไรจะเงียบจะเย็นเท่าอยู่ป่า ม, มีอีกแล้ว เห็นไหนกิจกรรมไม่ใช่น้อยก็ห น, นึ่งส่วนเนาะนะไปหลับมันหลับเทวดาก็มาปลุกจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดนไจะมีประโยชน์อะไรด้วยการหลับท่านผู้สุกความเร่าร้อนด้วยกิเลสท่วมทับแล้วเป็นต้นเทวดาก็มาปลุกให้พระพิสุตื่นองค์นั้นท่านก็ตื่นจริงได้จริงๆนะท่านก็พิจารณาอริยสัจบรรลุเลยนั้นคําว่าตื่นก็คือตื่นจากกิเลสนิทราตื่นจากบาปตื่นจาก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 ไม่ใช่ว่าโหไปไหนหัวเราะราแต่หัวเ ร, ราะ ร, รออะไรบอกรร้องให้หนนะ้าที่สุดของการหัวรเราะก็คือการร้องให้ไม่ใช่หัวเราะ ร, ร้องให้ไม่ใช่หัวเ ร, ราะราบแบบนั้นเรียกว่าเบิกบานไม่ใช่แต่พระองค์บาลด้วยปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสุขด้วยปัญญา น, นะไม่เร่าร้อนไม่ลำบากด้วยปัญญาปัญญาพาให้พระพุทธเจ้าทำกิจทุกอย่าง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 เรื่วงสละความสุขนะเช่นโดยพระวรากายเนี่ยพระองค์ก็สู้ลําบากด้วยพระวรากายแสดงธรรมเห่เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์เราเวนยศาสตร์ทั้งหลายให้เขาตระสรูตามนะก็ถือว่าเป็นความเสียสละของพระองค์จริงๆจริงๆก็สละตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็เสียสละท่านสละชีวิตของท่านอุทิศเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์เนี่ยสี่อสงไขยแสนกับจริงๆ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 มีอยู่แค่สองชาติเท่านั้นแหละที่ไม่พร้อมจะบรรลุชาติที่เป็นราชสีกับชาติที่เป็นพญานาะคชาติที่เหลือบรรลุได้หมดเลยท่านจะเอาไหมลนะ่ะท่านท่านไม่เอาท่านสละโอกาสในการตรัสรู้ ร, รมก็ถือว่าพระองค์ทำทุกอย่างสละทุกอย่างเพื่ อ, อนะเพื่อทงเคราะห์อนุเคราะห์ศรักรพศทั้งหลายเวนยศัตด์ทั้งหลา ย, ย, ลายดูว่าพระพุทธเจ้าจะทาสาเร็จไหมนาะใครใคร